คราวนี้เราก็มาถึงช่วงของการคุยธรรมะกันก็เจริญพรท่านผู้เป็นมงคลแล้วนะคํา แต่กรรมว่าถ้าพูดพูดไปอย่างเงี้ยสมาธิอย่างเงี้ยเป็นยังไงแต่ เอ่อแล้วก็พระอาหารนําเป็นคนละก้อนแล้วคนมีคนห้อยคออยู่แต่สบายละมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้ามันเป็นอย่าง นะทำไมดูจับมือทำอันนี้เรียกว่าจะได้เรียกว่าเป็นธรรมทานได้อยู่บ้างแต่แต่ถ้าบอกว่าให้หนังสือเฉยๆแล้วหวังว่าเขาจะอ่านโห้ยอยู่บนหิ้งนู่นนะหนังสือตามวัดเยอะแยะหนังสือธรรมะในบ้านก็เยอะแยะนะอ่านก็ดีนะทีนี้ถ้าเรามาๆแต่ ในตู้ในบนชั้นตู้ใต้ดินบนชั้นในบนต้นไม้ใต้ดินในน้ํานั้นมี ให้มันละเอียดนั้นใจที่จะเป็นใจดีใจนวลใจนิ่มใจละเอียดเนี่ยนี่คือใจที่ นะฝึกสมรรถ์พูดดีฝึกการนั่งการยืนการเดิน เนี่ยฝึกด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะฝึกให้มันละเอียดอ่อนเรียบร้อยลงไปเนี่ยได้เนี่ยเปรียบเสมือนเราจะทําความ แต่แต่ว่าเราจะทําความสะอาดต้องเอาน้ําส่าสะอาดล้างมาตามเก็บแต่เช่นเดียวคุณก็เอาของสะอาดสะอาดมามาใช้มาล้างมาเช็ด ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแหละเป็นลักษณะของมรรคนั่นเองนะก็คือสัมมาทิฏฐิ 3 อย่างนะคือเรื่องของ ศีลในที่นี้สาสลาสระอีลอลิงเนี่ยเอ่อศีลในที่นี้คือความ เอ่อ 8 เนี่ยสมาอาชีวะแล้วก็สมากัมมันตะเนี่ยเอาไว้ในเรื่องของศีลเหมือนถ้าพูดถึงความเป็นปกติแล้วเราก็พูดถึงความเป็นใน 24 ชั่วโมงนั้นตัดเวลา 6 ชั่วโมง 6 ชั่วโมงนอน 8 ชั่วโมงก็ 8 ชั่วโมงแต่ 8 ชั่วโมงนี้มันๆนะเอา 6 ชั่วโมงก็แล้วกันนะคุณเหลือเวลาทั้งหมดที่เหลือนั้นอยู่เนี่ย 18 ชั่วโมงเนี้ยเอ่อ ใน 18 ชั่วโมงที่เหลือใน 18 ชั่วโมงที่เหลือมั้ยหรือคุณไม่ 18 ชั่วโมงที่เหลือนี้คุณเอ่อพูดคําพูดสอดเสียดอยู่เป็นประจํามั้ย 18 ชั่วโมงนี้ 18 ชั่วโมงเนี่ย ในระหว่างในช่วงนี้เราก้มมวยของอยู่เรื่อยนะเราก็ต้อง นี่คือการสมาทานนั่นคือบางคนไปวัดเนี่ยรับศีลนะพระให้ศีลก็รับศีลเอ่อไม่ใช่เขา ไปรับไปส่งไปให้อะไรกันอย่างงั้นแต่การสามารถการปฏิบัติเนี่ยคือถ้าเราไม่รู้ แต่คือไม่ได้ว่าไปรับอะไรเป็นอย่างนั้นคือไม่ได้ว่าไปรับอะไรเป็นอย่างนั้นนะแต่คือให้ หยาบๆอยู่นะสมมุติถ้าเราเอาเปรียบเทียบกับไส้ขนมอย่างเงี้ยหรือถ้ามันประกายอย่างเงี้ยๆเนี่ยมันจะต้องไม่มีเศษอะไรที่มันผสมกันอยู่ในหรือเรากวนไส้ขนมเนี่ยเศษดินเสร็จแล้วต้องหยิบออกหยิบออกนะ แล้วเจอวาจาที่มันจะเราก็หยิบออกนะเราเจอไอ้ไม่รู้ไม่ให้บ้างเงี้ยเราก็ต้องๆด่างๆสิ่งที่ 3 อย่างนี้ สัมมาอาชีวะแล้วก็สัมมาอาชีวะอ่าอาชีพที่ไม่พูดหว่านล้อมพูดท้าให้เจ็บใจ ในตัววาปิลาสนะของมิจฉาอาชีวะทั้งสิ้นเลยก็พยายามหลีกเลี่ยงคือพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกันนั่นคือหมายความว่าถ้าเราผิดๆที่คุณทําด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นสมาธินี่ก็รวมเอาสัมมาวายามะสัมมาสติคือเอ่อความเปลี่ยนชอบนั่นหมายคือเรื่องละเอียดเข้าไปนะท่านผู้ฟังนั่น เราพูดถึงสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะเนี่ยเป็นความควบคุมทางกายว่าถ้าเรามีอกุศลในจิตเราเอาออกนะอกุศลที่มันอยู่ข้างนอกอย่าให้มันเข้ามีกิ๊กมีเกร๊กอะไรกัน แต่อย่างงี้มันเข้ามาในความชั่วข้างนอกรู้คุณฟังคุณอื่นเข้ามาเอาเข้ามาในใจของเราแล้วมา 10 นาทีจาก ทำไป 10 นาทีเนี่ยให้มันมากขึ้นอันนี้คือลักษณะของสัมมาวยามะแต่เป็นความมี 2 คู่ 4 อย่างนั่นเองนั่นคือคู่ของกุศลธรรม มีสัมมาไว้มาได้ในสัมมาไว้มาก็ยังมีอ่าสมาธิสติสมาธิด้วยนะ ก็เห็นที่มันๆว่ามันเป็นยังไงนะแล้วเวลาปัญญามันจะไล่ไปเป็นลําดับหรอนะเราทําศีลอะไรควรอะไรไม่ 3 อย่างนี้ถ้าพวกฟังมีอุปการะมากนะเราพยายาม Repoc mai ni ven, prònic,